ผู้ใดพิจารณาทุกหนืงองๆผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารนอโรปาปิมะมันเกิดขึ้นที่คันธันดานของเราบ้านเมืองของมารมันก็อยู่อาศัยขอ ง, ขอ ง, ของห้วใจบ้านเมืองของฉนิมมันก็ต้องอาศัยอยู่ที่เหล็กเมื่อชำระฉนิมออกแล้วเหล็กก็ส ะ, สะอาดกิเลสเปื่อยเปื่อยเหมือนเทวันทันต้นไม้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 แต่เด็กคนนั้นทําไมพูดที่นีคุณมารัดไปตัดจํานวนเขาจะเถียงกันทําไมร่างหรือไม่ร่างมันก็รู้จากมันอยู่เก็บเรือกเกินอันนี้เขาพูดเป็นธรรมะอีกเรืด้วยไปเถียงกันทําไมร่างหรือไม่ร่างมันก็รู้จากมันอยู่แกเคยมาพบกับพระธรรมฐาน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 เห็นกรรมฐานขณะกิจเดียวเท่านั้นไม่แอะกินอยู่กับสมาธิเห็นทั้งวิปัสสนาควบกันด้วยไม่มีอันใดก่อนอันใด ห, หลังพวกมีปัญญาสามารถนับหินเน็บนับเม็ดทรายได้นับเม็ดหินเม็ดทรายเพราะหินทราย เป็นธาตุดินเป็นของแข็งนับลงถึงเอกปฏเ ท, ทีธาตุนับเ ม, ม็ดน้าลงถึงเอกอาโปธาตุในปจัจจุบันหนึ่งนา้าหนึ่งดินนับลมนับฝนก็นับลงในหนึ่งนา้าของหลายสิ่งที่สมมุติว่าหลายก็ออกไปจากหนึ่ง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 คือวันเข้าพรรษาอย่างนั้นหรือรไม่ใช่ครับยังไม่เข้าใจคำถามเดี๋ยวนี้ความสำคัญของวันอุบาสกุชาเออมันมันเป็นยังไงเพราะแต่ก่อนนั้นพระม่ได้จำพรรษายังไม่ได้บัญญัดิพรรษาเชี่ยตรีไปมา เยียบคันนาของเขาขาดไปหมดไปที่ไหนก็เป็นแถวๆไปที่นี่ศาสนาอื่นเขาดูถูกว่าศาสนาพระโคดมทำไมถึงไม่เข้าปัญชาไปเยียบคันนาหรือไปอะไรอะไรของเขาไปที่ไหนก็เดือดร้อน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 แต่นี่ต่อไปเราจะต้องมันยัดให้เข้าัรรษาเป็นวันสำคัญอย่างนั้นที่นี้ตอบถูกก็คาถามหรือไม่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เอาต้องเอาใหม่วันอาสาฬหาบูชา อ, อยากจะถามว่าความสําคัญของวันอาสาฬหาบูชาวิสาขะไม่ใช่ อาสารหะบูชานี่กำหนดนกำหนดวันนี้นะครับวันนี้ครั บ, รบเออตอนนี้เราก็ไม่สนใจอีกละทีเออสารหะบูชาเป็นวันเกรียมที่จะเข้าพรรษาอย่างนั้นนะเรียกว่าอาสารหะบูชาเราก็ไม่รู้จักความหมายอีกเหมือนกันตอนนี้แล้วก็โง่อีกเหมือนกันไม่รู้จักสมตาาสมติ ที่เถามให้ละเอียดอีกทีนี้อาราธนาหะโมชาเนวันผสมเทศนาแล้วครับโอ้ธรรมจกักกปรวสูตรโ อ, อถูกแล้วเราก็ลืมไปดอกถูกแล้วแล้วตอบไม่ถูกเรายอมผิดนี่เป็นวันผสมเทศนาของพระบรมศ า, า, าสดาแสดงธรรมจกกักรประวัตนสูตรอเราเนื้เข็นแล้วทีนี้ถูกแล้วผู้ถามก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าผู้ตอบไม่ถูกเฉยๆดอก ทีน่นี้ท่านเทศทรรมจักกปวัตนสูตรให้ปัญจวคีฟังข้อใหญ่ใจความในทรรมจักกัปวัตนสูตรก็มีอยู่อันเดียวว่ายังกินจีสมุทัยธรมังสรัพันตังตั ง, ตงนิโรธธรรมมันติชิงได้ชิงหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีความดับสูญเป็นธรรมดาพระโกนทันยะ ได้ฟังเรื่องอนิจจังโดยตรงๆนี่จับใจมากลงถึงคิดถึงใจพระกลทัญญะพระกลทัญญะก็ถึงพระโสดาบันยังกินชีสมุยทยยธรรมสัปปัญจังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมีความหลับสนเป็นธรรมดาหวัวใจธรรมจักมีเท่านั้นศโดยาวทีนี้เทศเบื้องต้น เรื่องชาติพิตุกขาเชาลาพิตุขขาบารนำปิตุกขังคนตาบอดอาจเลยเห็นคนหูหนวกอาจได้ยินพระองค์เทศธรรมจักรวัฒนสูตรนั่นหน้าต่างที่ปิดอยู่ก็เปิดคนข้อมพอเป็นคนหลังตรงไปได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นชาติพิทุกขา เทศคำเดียวมันก็ถูกทั้งพมมมโลกถูกเพราะไตโลกระาทกเพราะไตโลกระาทเต็มไปด้วยชาติเป็นทุกข์ทีนี้ไปริวัดเบื้องสองก็บอกในข้อวัดปฏิบัติเรื่องทุกข์เป็นของี่ควรกำหนดรู้ เรื่องสมุทัยเป็นเหตุไถ่ละเรื่องมัศเป็นข้อปฏิบัติควรเจริญให้ยิ่งเนื่องเรื่องนิโรธควรทําให้แก่เมื่อเราพิจารณาทุกขเป็นอารมณ์อยู่มัศกับนิโรธก็เป็นไปในตัวการพิจารณาทุกอย่าก็คือมัศคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกความดับตัญหาในทสิ้นเชิงทุกทัก้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธ นิโรธคือความดับทุกข์ไม่ใช่นิโรธสมาบัติเราพิจารณาอนิจจังอยู่จะเรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมจักรปวัตนาสูตรหรือไม่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมจักรประวัตนาสูตรไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติทุกแล้วก็จะปฏิบัติสมุทัยก็จะปฏิบัติมรรคแล้วก็จะปฏิบัตินิโรธ ปฏิบัติอันเดียวก็เกี่ยวกันโยงไปกันไปหมดน่เมื่อพิจารณาทุกอยู่สมุทัยทั้งหลายความทะเยอทะยานในวัตาสงสารเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันมันก็บรรเทาลงไปเองมักคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติไปในตัวคือการพิจารณาทุกนันเองคือข้อวัดปฏิบัติคือมักคือเหตุเหตุปฏิบัติผลของเหตุปฏิบัติก็คือผลที่นี่ก็ทําให้แก้งไปในตัวเขาเรียกว่านิโรธ เราพิจารณาทุกทีนี้หรือพิจารณาอานิจจังจะเข้าใจว่าเราปฏิบัติตามอนัตตรพระสูตรหรือไม่ก็สูตรอนิจจังสูตรทุกขงังสูตรอนัตตาก็อันเดียวกันในธรรมจักกวัตตนาสูตรก็แสดงกองนามรูปชาติพิทุขาเชาลาพิทุขามันานำพิทุขังคือเป็นกองรูปคนโศกเศร้าเสียใจความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็ก็เป็นกองนามที่สัมพยุด้วยกิเลส ก็มีแต่เรื่องเทศเรื่องลูกกับนามเท่านั้นล่ะเพราะลูกกับนามเป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ق, เป็นอนัตตาทีนี้เทศทำมาจากเทศอนัตตลกนาสูตรก็เทศเรื่องลูกกับนามเท่านั้นรูปังอนิจจงดินน้ำไฟลมมาชมกั น, เ ป, นเป็นกายเดียวกว่ารูปเวทนาอนิจจาศน ญ, ญานิจจ์ทั้งขลาราณิจาวิญญาณังอนิจจงรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาพร้อมกันก็เทศกับลูกกับนาม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 จัดเป็นรูปขันจัดเป็นรูปประโลกด้วยรูปประทาด้วยรูปประทังขารด้วยรูปประโลกด้วยรูปประทุก์ด้วยรูปประทาด้วยใจจะเป็นนามขันทีนี้จัดเป็นนามะธาด้วยนามะทุกด้วยนามะโลกด้วยนามะขันด้วยก็มีความหมายอันเดียวกันพิแต่โวหาร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 ลักษณะลักษณะที่เห็นทมลึกไปกว่ากันเป็นสามขณะเกี่ยวกาบไตรับไตลักษณะไตแปลว่าสามลักษณะที่เห็นเห็นชัดเป็นสามตอนเมื่อเห็นไม่เที่ยงแล้วก็เห็นทุกทั้งประยุตธ์อยู่ในที่นั้นแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอยู่ที่นั้น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 เราก็ไม่นึกว่าจะคืนมาถามอย่างนี้เพราะเราไม่ค่อยสนใจทีนี่บางทีเราก็ไม่นับวันเชืด้วยวันที่เทไรเราไม่ปรากฏอีกเื่อด้วยบางทีก็ถามพระบางทีก็ถามพระวันที่เทไรวันนี้เพราะเรามันผ่านมันไม่ค่อยเอื้อเฟื้อกับวันที่ไปเสียแล้วทีนี่เพราะเรานึกเห็นว่าวันไหนก็เป็นวันดีวันไหนก็เป็นวันชั่วขบวนคู่อายุเราก็ไม่สนใจ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 ทีนี้วันวิสาขาว น, นิสาขบูชาถ้าเราทำความเพียรวันไหนทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นตามสติกำลังของเราก็จะประกอบเป็นวันวิสาขะอยู่ทุกวันเช mm hmm. ่นเทศพระเวชสันดอนอย่างนี้เรามมงก็เลยเถิดไปซะ mm hmm. พระเวชสันดอนเทศอยู่วันยังค่ำก็ได้ความว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาถ้ามีทานและรักษาศีลและภาวนาท่านรักษาศีลห้ า, า 5, ท่านก็ ให้ทานท่านก็ให้ทานรักษาสินไแล้วก็ภาวนาเพ่งเตโชกสินหรือแผ่เมตตาผู้ใดมีทานมีสินมีภาวนาก็เรียกว่าเอาบุญพระเวทสันดดนอยู่ทุกวันเราชอบตอบอย่างนี้เราชัดลงอย่างนี้ที่นี่ที่นี่บางท่านถามมือท่านรับส่งเสริมว่าบุญเข้ากี่นางปุณณธาสี ก็ไม่ว่าแต่ข้าวกรีแล้ะข้าวนึ่งหรือข้าวหุงเราก็ได้ทานมันยิ่งกว่านางปุณธาศีไปใช้แล้วเรามักพูดอย่างนี้ที่นางปุณธาศีให้ทานเน่ยก็เพราะเจตนาของนางปุณธาศีนั้นมีเจตนาดีมากบ้านของนางปุณธาศีปุณะแปลว่าชื่อของนาง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 นึกเรื่มใส่ได้สรดจสังเวชตื่นเช้าขึ้นมาพอตำข้าวเสร็จแล้วนางก็จะไปได้คุแล้วกว่าจะไปตักน้ำจะหาบหน้ามากี่ข้าเอ า, เอาเอาข้าวไปเผาไฟบางท่านว่าแป้งกี่นุ่แป้งเผาคำว่ากี่เป็นคำภาคอีสานคำว่าเผาเป็นคำภาคกลาง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 เราอยากรกะเอาปั้นเข้ากี่ที่ขอดมาในพกหนึ่งถวายพระบรมาสารีดาทําไมถึงเป็นของต่ํานักท่านจะฉันให้เราหรือไม่นางก็สนใจที่นี่ทั้งนึกทั้งสนใจด้วยพระบรมศารีดาก็รู้จักนางสนใจขณะจิตใ ด, ดๆพระบรมาสารีดารู้จักทั้งนั้นท่านจะฉันหรือไม่ฉันเรา มีความเต็มใจแล้วก็ต้องถวายทันพอถวายแล้วพระบรมศา ส, สดานางก็นึกอีกว่าเออท่านจะกว้างทื่งหรือจะทํายังไงหนอะทีนี่ท่านจะฉันให้เราหรือไม่เนอนึกกู่เป็นกังวลอยู่พระบรมศา ส, สดารู้จากความหมายแล้วก็อานุนั่งลงนั่งอยู่ที่กลางทาง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 ตายแล้วเกิดในเมืองสวรรค์เออทำไมเรามาอยู่ที่นี่หรือลึกชาติได้ที่นี่เออเราได้ถวายบัานเข้ากี่ให้พระบระมาศาสดางูเห่ากัดเราเราจึงได้มาเกิดในที่นี้นางก็รู้จักที่นี้ถ่านางนางนาพาุทภาาสีนั่นเองในภาพบงางสกุลขั้งที่แรกในพระพุทธศาสน า, านี่ เขาคงทิ้งุพทิ้งทิ้งศพกันไม่ค่อยจะเผากันยิ่งปล่อยให้เปื่อยให้เน่าพระบรมศาสนาเนี่ไปชักผ้าบางสกุลกำนางปุณณธาสีในาศาสนาของเราพระโคดมทุกๆศาสนาก็มีผ้าบางสกุลเหมือนเหมือนกัน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 ทีนบางท่านไม่รู้จกเกตนาก็แย่งกันแย่งการบริจาคได้เย็บเพราะเห็นว่าตินนบานมีอเนสงมากก่อนที่ตินนบานจะให้ทานตินนบานไม่ได้ให้ทานเพื่อแข็งโลกมีความคำานึงถึงอดีตเราเกิดมาในชาตินี้เป็นคนทุกคนจนเพราะไม่ได้ให้ทานกับท่าน บกพร่องในการให้ทานแล้วจึงเป็นทุกคนทุกคนจนทั้งเพียงนี้เมื่อเป็นดังนี้เราจะยอมเอาใบไม้มานุ่งเอาผ้าของเรานี่เองไปซับให้สะอาดแล้วจะไปถ่ายจะไปรวมกระทินกับท่านเจตนาของตินาบาลเจตนาลึกล้ำเหต่ยจะนั่นอานิสงส์จริงมากจะถินเป็นท้องละเอียดและออมมาก เมื่อพระไปชวนโยมไปทํามันก็ไม่บริบูรณ์อาตมาจะพาไปทอดกระถิ่นมานนั่นบ้านนี้นนนจงทํากระถินเถิดอย่างนี้กระินก็ไม่บริบูรณ์เพราะเป็นกระถิ่นที่เรียบเทียงจงโยมเป็นเองรัตนาเป็นเองโดยไม่มีผู้อื่นมาชักจูงโดยไม่มีพระไปชักจูงคนอื่นชักจูงไม่เป็นปัญหานี่ถ้าชักจูงก็ต้องผิด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 ที่อยู่วัดดอยทาให้เจดีนันห่างกันจากกับลวงปู่ม่านน่อนเดินทางวันยังค่ำจึงถึ ง, ถงเพราะไม่ได้ขี่รถทำไมนั่น<ม><ม>ก็ยังไม่ถึงอีกด้วยยังมานอนสกนลคนครเะก่อนออกจากสกนลคนครจึงจึงเดินทางถึงก็ต้องมาอำเภอพันานาอยู่เหมือนกันญาติโยมทั้งหลาย อาตมาจะพาไปทําบุญกับหลวงปู่มัน่นจะไปไหมน้าโยมก็บอกว่าไปดีใจมากไปเราจะพาเข้าไปในเมืองตะกลนครไปหาซื้อเอาผ้าไหมสักษาไหมให้เป็นให้เป็นผ้าบางทาสังคาติดเยอะไม่หนึ่งให้ทําเป็นทีวอ เยอีกแค่เกนิดหนึ่งถ้าทําเป็นสบงอีกก็อ อ, อันหนาบ้างสบงจีวอต้องเอาอันบางกว่าสังขารบางเอาอันหนากว่าสังขาบ้างหรือจะเอาอันเดียวกันก็ได้เพราะแย่โยมก็ดีใจเพราะเขาเริ่มใช้หลวงปู่มั่นมากเขาก็พอใจที่นี่ก็ตกลงไปซื้อทีนี่ ชื่อก็เข้าไปถวายท่านพอไปถึงสั่งก็ถวายเพราะมมนต์ท่านอาจารย์เปลี่ยนจี้วันให้จังคาเออแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่ๆแล้วเฉพาะออกพรรษาปีนี้ที่ท่านก็กลับบ้านแล้บ้านก็สั่งให้ท่านอาจารย์มหาบวัวท่านหลวงปู่มหาบวัวบอกว่าเขาให้ยิงวนงันให้หลวงปู่เปลี่ยนให้หนะเออผมจะยังวันท่านหลอกท่านอาจารย์มหาบวัวหลวงปู่มหาบวัวก็วิงวันในขณะนั้น สามครั้งจึงได้ครั้งที่หนึ่งยิงวอนไม่ได้ก็ห่างไปมีอสองสามวันก็อวยขึ้นอีกไม่ได้ก็หางไปอีกนานห้าหกเจ็ดวันก็เอวยขึ้นอีกท่านก็ทรงอนุญาตอย่างคุดคูดเมื่อตัดแล้วเย็บแล้วย่อมแล้วที่นี้ท่านไปเดินจงกรมใช่ไห พูดขึ้นมาที่จิตท่านพูดอย่างนั้ น, นพูดก็เสงผ้าที่ท่านนุ่งห่มอยู่นี่ไม่ใช่โยมเขาเป็นเองนะท่านอาจารย์กงมาไปโูดไปเก่าให้เขามาเราลู่เองที่นี่เราลู้ทีหลังฉากไม่ควรเราจะใช้ท่านพูดอย่าง ถ้าชอบลูกศิษของเราจะแช่ใครจะเอาไปใช่ก็เอาไปซักไม่มันเป็นไรแต่ไม่สมฐานะของเรา้านะของลูกศิษย์สมอยู่พราะเราให้ถ้าซือเป็นของเราท่านอาจารย์หลุยส์ก็เลยเอาสุรุลุงท่านอาจารย์หลุยส์เลยเอาเพราะแบบเดียวกันร่างก็เท่ากันกับท่านอาจารย์หลุยส์สูงต่ำก็ดีละเอียดขนาดไหน หลวงปู่มัน่นไม่เห็นเจ่ได้ท่านยินดีในบางสกุลหลวงปู่มัน่นทีนี้ท่านยังมีละเอียดไปอีกอันไหนที่เขามาบางสกุลในกลางสงฆ์ที่ชราก็ดี ที่กับเวลาบินทบาทก็ดีมีคนทางก็ดีท่านไม่ค่อยใช่ท่านก็ให้ลูกๆนั้นหลานแต่าท่านแม่ท่านไม่เอ่ยไม่รู้จักท่านไม่พูดไม่ค่อยใช่ถึงจะขาดแค้นสักเพียงไหนก็ไม่ค่อยใช่แต่ให้ลูกให้หลานเลยส่วนที่ท่านจะใช่่ะ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 จะตัดผ้าหรืออะไรถาวายท่านอย่างนี้พร้องกันหมดแล้หรือฉันต้องถามซ่อนมาอีกเสียก่อ น, นอาจารย์หลวงปู่มหาบัวเป็นเป็นมือขวาเลยใช่ไหมนั่นท่านก็ฉลาดพูดหลวงปู่มหาบัวพ้องกันหมดแล้วกลูกหลานพร้อมกันหมดแล้วฉันดูจริงๆริงมาเห็นแก่ได้เออ ทังโควิดมากับใครมาฉัรองเออมาจริงตามคำพูดนะอือพโธธ โ, โมสังโกนิพพานมบ้านดูภูกเก็ตทางงานะนี่เป็นแค่นายควา ม, มเรียนนักศึกเก่งเหมือนกันไปสองน้องชายกับหลานงานบวชไปอยู่กับหลวงปู่เรียน เอไปสองที่หนงคายแล้วกลับฝนตกไหมตกเยอะทามากระถุกกันนานแล้วนี่ไม่ใช่ทามากระถกวันนี้ทามากระถึกอ๋อมา แล้ไม่ไปหาท่านอาจารย์เหงอยังยังครับออตรงนี้ก็ะไปครับตรงนี้ไฟไปท่านก็ถามอยู่ก้ อ, อนจะมาท่านก็บอกอยู่เหมือนกันพา น, นั่นเจอที่งานหองพ่อที่จะปารบอะไรกันอีกอนี้ มันเกิดขึ้นมาในสังขารในขัง้งที่สองพวกมหายานนั้นไปประกระาศภาษาสัญญาทางหุนเหนือพวกคินยานไปประกระาศภาษาสัญญาทางทิศใต้ส่วนทางหุนเหนือก็ไปลาวไปจีนไปยนูนประกาศได้เร็วมากพวกนี้ ก, ก็พุทธชฌ์คนหนา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 พอถึงวันพระมาพระเจ้าพิมพิสารตีกองทำเนียมของโบราณก็ต้องเขียนกอกเขียนกองไว้อที่หอประชุมของพระบรมนาถเจวังถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารตีกองให้คนเตรียมตัว ไปฟังเทศพระบรมศาสดาในวันพระเวลาสายันหะตะวันบ่ายทีนี้ตอนในเวลาประมาณตีสามพระเจ้าพิมพิสาลก็ตีอีกทีให้เตรียมตัว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 ท่านมีชินห้าบริบูุ์ประจำเพราะท่านเป็นพระสวสดาบาลท่านออกกฎหมายเองแล้วไม่ต้องอาศัยท่านผู้ใดทรงอำนาจคิทคิดขาดราชามาคาถูแต่พระเจ้าแผ่นดินมนคตอันตั้งหนผลใต้ิตบูรมีแฝนใหญ่เป็นแฝนใหญ่และมีอำนาจมากมีพระเจ้าพิจา้นาเป็นผู้ปกครองทรงอานาจคิดิดาด ท่านเป็นพระโสดาบันแลว้วมีสินห้าบริบูรณ์คนมีสินห้าบริบูรณ์การออกกฎหมายมันก็ไม่เข้าข้างตัวเอาควาศีลเป็นแวดเอาอ ก, กฎหมายกฎหมายอาญาก็าดีกฎหมายแพ่งก็ดีเพราะไม่เห็นแก่ตัวเพราเอาศีลเป็นแวดเอาศีลห้าเลเป็นแวนเอาศีลธรรมเป็นแวน่น านยบายมุกทุกประเภทท่านก็ทรงห้ามทรงห้ามประชาชนท่านก็ออกกนหมายทีนี้มีผู้สอบถามเข้ามาอีกพวกจะไปฆ่าพระโมคคนานะั่นโจรห้าร้อยท่าเจ้าพินพิสารจับได้ แล้วก็เอาไปฝังไว้ขนาดเอวบ้างขนาดคอบ้างเอาไทเหล็กไถพลรมนเพราะฆ่าพระหันเขามีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเสดาบันแล้วทำไมถึงไปฆ่ามนุษย์ไม่ได้ผิดศิลปหรือ ก็มีทางตอบสองทางเพราะฆ่าพรลทหารนั่นมันเป็นฆากรรมมันบาปหนักผลของบาปอันนั้นบันดาลเองมีข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารฆ่ากฎหมายฆ่าต่างหากเขากฎหมายเขาตั้งไว้ก่อนแลว้วจงตอบอยางนั้นทีนี้เพราะที่กล่าวตัวว่าพระเจ้าพิมพิสารล่วงสินหกักก็เลยเป็นโมฆะไปเอง ในสมัยทุกวันในสมัยปัจจุบันเขามีการโต้กันอยู่ค่ายกบผู้เป็นทั้งพาทิเศษที่พราบร ม, มาศาสดาสอนเราให้อยู่กรรมไม่ใช่พระบรมศาสดาไม่เป็นบาปหรือทําไมไม่เมตตาบ้างพู้เป็นปา ร, รายทิศกอดบอกให้ลาทิศขาออก จากมูอเพื่อนอพระเวไนยเป็นอย่างนั้นมาแต่ไลาๆแล้วพระเวไนยเป็นผู้ลงโทษไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลงโทษกรรมและผลของกรรมลงโทษครูโรงเรียนคนหนึ่งพูดในคติอยู่ที่บ้านเป้าเนี่ยวันนี้ฉันจะเคี่ยนเธอเพราะเธอขาดโรงเรียนไม่ใช่ฉันเคี่ยนเธอนะ เธอเขลียนเธอเองถ้าเธอไม่ขาดฉันก็ไม่เขลียนเธอก็เลยเขลียนแต่ไม่เกลียนเองอุบายพูดธรรมะดีปูันี์อันนี้กรรมวันกันกรรมและผลของกรรมทำให้ตัวเองบันดาลถ้าพลาหันมันเป็นขลุกกรรมกําหนัก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 มันไม่มีโทษท่านก็ไม่เลยระวังจะระวังทําไมเพราะมันไม่มีโทษพวกเราทําไม่ระวังมันมีโทษจริงๆเพราะมันไม่ยังไม่พ้นในชั้นที่ว่าจบจิตพระพุทธศาสนาเมืเ่จบจบจิตในพระพุทธศาสนาก็จบจิตในธรรมศาสนาสังฆศาสนาอยู่ในตัวไม่มีสิ่งที่จะทําไปอื่น เหช่นนั้นจึงว่าพระอริยเจ้าพระอรหันต์อยู่เนื้อบาปเนื้อบุญเพราะบาปก็ละพอแล้วเพราะบุญก็สร้างพอแล้วก็ต้องอยู่เนื้อบาปเนื้อบุญน้ำที่เต็มตุ่มแล้วไม่มีเหตุที่จะตักใส่อีกผลของน้ำจะรับเอผลจะรับน้ำไว้ก็ไม่มีเหตุจะตักน้ําใส่ก็ไม่มีเพราะมันเต็มแล้ว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 สถากรเราท่านก็พูดเฉยๆบาทของเรากีวรของเราท่านก็พูดเฉยๆพูดตามสมุดแต่ถ้าไม่ติดอยู่ในคําพูดของท่านดาวชั้นอาหารท่านก็พูดอยู่เหมือนกันแต่ท่านไม่ติดในคาพูดของท่านเหมือนนกบินในอากาศบินอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนรอยของนกก็ไม่มีเห็นก็เห็นแต่ตัวนก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 เครื่องทดสอบแล้วว่าพุทธศาสนามีอยู่พระอนาคามีดาคะไม่มีโทสะหายไปหมดแล้วโมหะหลงยังมีอยู่กาไวา่ตกพยาบาทีม่ตกไม่หิง้งสายตกขาดไปหมดแล้วพระโสดาบันก็ผ่อนปลนเบาไปแล้ว พยาบาทวิตกไม่มีในพระโสดาบันมีหิ้งสาววิตกก็ไม่มีในพระโสดาบันมันมาทำกูกู้จะพยาบาดกองไายแก้แค้นมันไม่มีในพระโสดาบันยกใส่หัวเลยถ้าเราเคยทําเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้เรากันไปซักถ้าหากว่าเขามาขอดเรียนใหม่หรือมาปลูกใหม่มาสร้างใหม่ก็ให้เลากันไปซักเราจะไม่ตอบตรงนึกอย่างนั้น แต่ว่าโกรธอยู่ไม่ถึงกับอาฆาตไม่ถึงกับจองเวรอาฆาตจองเวรผูกใจเก็บไม่มีแก้แค่นไม่มีถ้าใครเป็นอย่างนั้นไม่มีใครรับรอง ก, ก็เป็นพระโสดาบันนะครับคนรับรองละพระอนาคามีไม่มีกามมราคะขาดไปแล้ว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 นีเเววเเ่เป็นผู้เรวกว่าเขาสำคัญตัววามม่าเลิกกว่าเขาเป็นผู้เรวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เรวกว่าเขาสำคัญตัววนเรีวกว่าเขาพระอนาคามียังละไม่ได้พระอนาคามีเจริญกรร ม, มฐานยังปติดสุขอยู่ติดอยู่ในสุขเวทนาพาาระอรหันต์ไม่ติดอยู่ในที่ใดใดทั้งสิ้นสุขทุกขเวขาไม่ได้ติดอยู่ ที่เราสมมุติกันว่าพระ บ, บรมศาสดาสวยมุขกิสุกอยู่อชาชักปาแล้วนี่โคดก็ดีราชาญาติก็ดีมุขจรินก็นดีเราก็สมมุติเพื่อให้รู้จักความหมายกันเฉยแต่ในที่สุดพระ บ, บรมศาสดาสวยอะไรไม่ทราบกับท่านเพราะมันมีใครสา ม, มารถจะตามท่านได้เมื่อพระอนุรุทธะจะตามได้ก็ตามได้เป็นบางข้อเท่านั้นเพราะเป็นภูมิของสาวกไม่สา ม, มารถจะตามขณะจิตของพระ บ, บรมศาสดาได้